Bye. <laughs>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 นะเห็นความรู้สึกของเราเนะี่ยหเห็นกายเห็นใจมันจะเห็นรวมเห็นพร้อมบบบไหนชีวิตมันก็จะเรียกง่ายนะาี่เรากร็ปรับดูนัางงา่งไงขนาดดีนั่งไงไม่ปวดเมือ่อยมันปวดเมื่อยจะรู้จักแก้ไข แก่มันหายปวดหายเมือ่อยยืดเนื้อยืดตัวยืดหลังยืดแถวสังเกต ด, ดูไม่เกรงเนื้กรงตัวไม่อ่านไม่กันนี่สําคัญเลยทุกอรียบททุกขณะเห็นความรู้สึกเราตรวดูเก็เห็นที่ไหนเราสบาทุกทีไม่ว่าจะทําทการทํางานอะไรอยู่บาง ท, ทีเราไม่ได้ดูอะแเราลงมาดูทีมันจะต่างกันเราจะเห็นเลยว่าอ้อ พอร่วงเราจะปรับได้แหละปรับให้มันโปงให้มันเบานะไม่ธรรมดาไม่ร่วงทีมันจะอั้นมันจะกั้นเรื่องมันจะเกรงนะพอมันอั้นมันกา้นจิตใจมันอั้นมันกั้นร่างกายมันกเกรงเลือดลงเดินไม่สดหรกมันก็เลยทําให้ปวดเมื่อยง่ายถึงไม่ทํางานอยเดินเดินนั่งนอนนั่งอยู่นอนอยู่ก็เหมือนกัน เรา ด, ดูผ่อนคาก็ต้องเป็นไปต้องรู้จักผ่อนคาไอนี่แหลนี่คําว่าแก้ทุกข์แล้วออกจากทุกข์ก็รู้จักผ่อนคาขี้คาสบาทุกทีเนี่ยมันง่ายๆ่าเราบางทีเรา ท, ทาไปสร้างเกงหวังดูเบาเบาแขงไม่ต้องนะง่ายเบาดีโฮมเกินกันดี เป็นไปเพื่อนุ่มนวลจิตใจอ่อนโยนนุ่มนวลมันไม่แข็งกระด้างจะเป็นไปมันก็สบายสบาก็สบายสบายเบาเบาสบายๆเนี่ยลุยอันนี้มันไม่ต้องทำอะไร ความรู้สึกดูคามรู้สึกของเราไม่ต้องมีความคิดความเห็นกับพักอยู่หรือเห็นความรู้สึกของเราเรู้จักพักความรู้สึกดูที่ดูได้พักไหมหยุดไนดะ้หยุดหรือพักคนเดียวความรู้สึกมันหยุดทีเราไม่ดูมันไม่หยุดนะมันก็คิดนึกไปวิาพาควิจารอะไรต่อะไรไปเรื่อยเก็เป็นภาระทางจิตแล้นั้นถ้าความรู้สึกเราหยุดได้จะ เ, เป็นต่างกันนะ มาเห็นความรู้สึกมันหยุดหรือพักอยู่หยุอดอยู่แล้วหังปากได้เป็นไปเพื่อบ่าวา่ไรราไม่มีอะไรบริสุทธิ์นั่นธรรมชาติรุนรุนไม่มีอะไรเอาไปเฉยๆเป็นธรรมชาติรุนรุนหรือจิตรุนรความรู้สึกรวนรุนมันไม่มีอารมณ์อะไรอย่างอื่นไม่มีอารมณ์มยินดีอินไล่ลต้องการไม่ต้องการอยากไม่อยาก จิตมันก็ไม่ดินหลอจิตมันก็ไม่ดินหลนมันก็ไม่เด้าร้อนไปสังเกตดูทีอดีตที่ทานทานมาบางทีแล้วไม่รู้ตรงนี้จิตมันดินหล่นจิตมันเล่าร้อนมันทำอะไรบางครั้งมันก็ไม่ได้อย่างใจได้อย่างใจบ้างไม่ได้อย่างใจบ้างอะไรนี่นะหรือสมอยากมันไม่สมอยากมั้งใจมันเล่าร้องดิ่นหลนนั่นแหะทุกข์แล้ว ไม่ปกติเลยนะเนี่ยพัมารู้อ๋อถึงมันจะเป็นเราก็รู้รกแก้ได้น ะ, นะไม่ใช่เราจะไปห้ามให้เป็นไม่ได้เพราะเรายังเผลอสติเราก็จะรู้จาักการได้รู้จักแก้ได้นะถ้าเรารู้เท่าทานอยู่นี้เราก็จะจการได้ว่าไม่ให้มันเกิดอย่างเนี้ยนะทําอะไรก็อย่าให้จิตเล่าร้อนใจเยงนทำไปทาอย่างเย็น อ, อกเย็นใจ แต่ไม่ใช่เย็นจนเอิดอาชื่อดาเฉยชาก็ไม่ใช่นะเออเย็นแต่องเป็นไจเพื่อคล้องแคล่วว่องไวก็ต้องดูงานว่างานงานต้องเอาเร็วหรือเปล่าเอาเร็วเรก็เล่งมันเร็วแล้วเราก็ดูใจเราดูอารมณ์เราอยาให้มันร้อนเนี่ยโอ้บีเสรจริงจงเนี่ยหลวงพ่อก็ดูอย่างนี้ก็เห็นอย่างนี้ลงมาบอ ก, กเราอย่างนี้แล้วของเราก็ดูเองสิมันก็ไปทําตามใครอ่ะ ใช่ไหมกรู้ได้เนี่ยใช่หรับก็รู้ได้อรืรู้จักอย่างนี้อ๋อวิเศษเนี่ยง่ายๆแต่ที่ไม่ง่ายเพราะเราไม่ชินเราก็อย่าเผือดูเรื่มดูทุกทีใช่ไหมอันนี้หนึ่งเดียวเราต้องมาเคลื่อนาอาาไหวสร้างแก้วให้มันเตือนนึกเตือนทุกคมีให้ดูด้วยเป็นไงเตือนนึกเตืนทุกคนกรปี้กระเป๋าไหมมีชีวิตชีวาไหมนี่มันก็ไม่ถ้าอย่างเนี้ย ถ้ามันมีกระปีก้กระเป่ามันมีชีวิตชีวานะอ่ามันเติร์นนื้อเติรนตัวอย่างเนี้มันก็ไม่เบื่อมันก็ไม่เซ็งเ่ยลองสังเกตดไม่เบื่อจะไม่เซ็งยะทารุอยู่นี่ครับจิตใจกระโปรงเบาว่างเย่งออกเย่งใจอ๋อทางานนี่อร่อยสนุกเทีนี้อย่างเนี้ยมันจิตใจมันก็ไม่จะไปหวังอะไร เพราะมันมีความสุขอยู่แล้วะจะหวังหรือไม่หวังมันก็ได้อยู่แล้วก็ทํางานก็ต้องได้งานนะหรืองานที่ทําไปก็ต้องได้เงินไม่ต้องไปหวังว่าได้เงินมันได้อยู่แล้วมันเป็นผลคอยได้ใช่ไห้สบายกว่าไม่จิตแล้วก็ไม่เป็นพระละแล้วยังไม่เป็นพระละเพราะอะไรบางทีเพราะไม่จิตแล้วไม่มีพระละมันไม่มีอยากไม่อยากต้องการไม่ต้องการหวังไม่หวังไม่มีพไใจมากได้น้อยมันก็พอใจพอใจ ได้น้อยมันก็พอใจได้มากมันก็พอใจเหมือนกันไม่ตา่างกับแต่ตอนนี้ถ้าเราไม่รู้อย่างนี้จิตมันมีแต่ความอยากความต้องการแม่อยากให้ได้เท่านั้นเท่านี้ อ, อ๋อพยายามเดี๋ดิลลนลไม่ดีเนี่ยคนไม่รู้จักมันจะเป็นอย่างนี้จริงจริถ้ารู้เรื่องจะไปเป็ น, น, นมันจะไม่เป็นเองนะเราไม่ต้องไปบังคับว่าอยาให้เป็น เราสังเกตเห็นไหมพอลุกศึกตัวจิตอยากก็ไม่มีไม่อยากก็ไม่มีต้องการไม่ต้องการมันมีจิตไม่ได้มุ่งมุ่นเกาะเกลือนอะไรจิตที่อิสระเห็นไหมตอนนั้นเรียกว่าอิสระอจะมีอะไรไหมไม่มีอะไรใจเราจะว่างจากกิเลสนี่ไอ้กุเล็กกิเลสนี่แหละมันทำให้เราให้จิตเราวุ่นถ้ามันมีกิเลสจิตมันจะวุ่น่ะว่างนั้นให้เข้าใจนะเวลาจิตมันวุ่นมันดิ้นรนอะไรอะไรนั่นแห กีเดตมันเข้าไป้แล้วเดี๋ยวจิตใจเราถูกลบลวงล่ะเขาพาไม่รู้อีกะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะั้นไม่มีตัวมีตนอะไรหรอกนะมันนะก็เป็นลมๆแรงๆนะอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นอ น, นัตตาทั้งันมะันไม่ใช่ตัวตนอะไรนะมันก็อยู่ที่ความรู้สึกรู้สึกมันก็ปรงแต่งไปตามเรื่องตามราวมีความคิดความเห็นไปตามเดื่งตามราวมา พอมารู้มันก็ไม่เป็นนะมารู้มันไม่คิดตามเรื่องตามหลักนะถึงมันจะคิดเรื่องอะไรมันก็คิดแล้วมันก็รู้นะมันก็รู้ก็ให้มันตื่นตัวอยู่มันจะรู้ว่าเออเป็นสาระไม่เป็นสาระไม่เป็นสาระเรื่องอะไรมันจะไปคิดมันไม่คิดหรอกมันจะตัดอันนั้พ่อเทียนหนึ่งมาดูตามคิดให้ตัดความคิดเนี่ยท่านพูดอย่างนี้มันก็ยไปตัดหมดเลย คิดดีคิดไม่ดีเนี่ใช่ไมบางทีคิดสิ่งที่เป็นสาระจะกปตัดได้งไงตัดได้เหรอต้องไม่ตัดสิใช่ไหมก็ตัดเฉพาะสิ่งที่มันไม่เป็นสาระติดที่มันคิดไปแล้วมันทําให้จิตใจเราเศร้าหมองงัวหมอ ง, มองทําให้จิตใจคนงัวรู้เสียความรู้สึกแบบนี้ไอ้แม่อย่าไปคิดมันเราต้องรู้เท่าทีนี่เนี่ยคำรักษาผมอาจารย์นะการปฏิบัติธรรม ก็พยายามรักษาพมจารีรักษาความ ร, รู้สึกของเรานะ่ยพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะคือย่าให้เสียความ ร, รู้สึกอย่าให้ย้าย ม, มันเกิดคุณนงอเศ้ า, ามองนั่นแห ล, ละเรียกวามจารีเสียแห ล, ละเสียพรหมจารีไปแล้วเสียคุณงานความดีมันก็ได้นะ พ่อดูตรงนี้วันวันห น, นึง่งต้องใครดูว่าอย่าให้เสียนะจะทำอะไรแต่ อ, อะไรก็เออมันร้อนมันเย็นไปเห็นไดไ้เย็นไหมถึงเราทำงานต้องเอาเร็วต้องรีบแต่อย่าให้ร้อนใจเราก็ต้องไม่ร้อนรีบทำได้มไม่ร้อนใช่ไหมบันคนไม่รู้อะ รีบแล้วมันก็ร้อนด้วยก็อยากแค่มันเร็วๆอ่ะแต่นี้มันก็ไม่ได้อย่างใจเอาแล้วยุ่งอ่ะดิใช่ไหมอันั้นสังเกตดูที่ให้มีอะไรมีศึกษาไปศึกษาที่ไหนศึกษาที่ตัวเราแล้วเราไปอ่านในตาราเนี่ยมันจะมันจะสู้อ่านที่จิตใจเราได้น ะ, ะถ้าอยากรู้อย่างนี้มันอย่างให้ดีกว่าใช่ปะอือันนี้ของจริงๆแท้ๆอย่างนี้เรียกว่าเห็นปรัมมั ต้องเห็นความจริงน่นเรเรียกว่าเป็นวิปัสนาเป็นความรู้อันวิเศษรู้อย่างนี้เนียเรามีความรู้วิเศษแล้วนีเรียกว่ามีตาทิพมีหูทิพหน้าทาไมรู้อย่างนี้ก็ไม่ไม่ใช่ตาทิพหูทิพจะไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะบางคนนี่มาถามยังไง ร, รู้สึกยังไงงงเลยรู้สึกยังไงดูไม่ออก อแต่บางคนก็รู้ได้ตอบได้ทันทีเลยนะบางคนก็ไม่ค่ยรู้อ่ะแล้วแม้แต่คนที่เคยปฏิบัติ น, นานๆเขาไม่เคยดูจิต ด, ดูใจเขาก็ไม่รู้นะเนี่ยเราก็ไปรู้แต่ความเคลื่อนไหวอะเคลื่อนอย่เนี้ยอ่ะก็ดูความเคลื่อนไหวก็เพลนินได้คับความเคลื่อนไหวก็อยู่กับความเคลื่อนไหวแล้วมันก็สงบก็สงบจังมันก็ไม่คิดนึกถึงก็เพลินอยู่ละนะ อเพลินอยู่กับความเคลื่อนไหวอย่างนี้อย่างนี้เลยเไม่สามารถะมันก็สงบอ่ะแต่ไม่เห็นความสงบเนี่ยที่หลวงพ่อเทีนบอกว่าสงบแบบไม่รู้ก็ไม่เห็นความสงบออันนี้เราทําไปเราเห็นความสงบของเรานะเคลื่อนไหวเราก็เห็นสงบเราก็เห็นเห็นหมดเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าอสงบแบบรู้รูอร้อะไรหมดอจิตใจก็สงบ อะไรสงบกันรูน้อะนะเคลื่อนไปยังไงเราก็เห็นได้บดมือยังไม่สบายมือ ส, สบายแขนเสียก็มองเงี้ยมันรู้ได้หมดแล้วนั่งไงบดมืขยับแขงขยับขาลูจักเนี่ยรู้อะปวดมือก็รู้จักแก้ไขมันหาปวดหายหมือนะแล้วเราเคยดูอยู่หายใจเนงไงเนี่ยรู้จักไปหมดพอตรงรองอกง่งใจแล้วยาอะไรชีวิต เราลองถามตัวเองถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ยรู้จักอย่างนี้จริ ง, รงๆเราลองถามตัวเองแล้วจะเอาอะไรจะดิ้นรนเอาอะไรครับคุณเดินมันดิ <ร Carl. S 1> ้นรนใช่ไหมถ้าคนเราไม่รู้มันก็ไม่รู้จักพอใจไม่รู้จักไม่เห็นจุดยืนตรงนี้ไม่เห็นชีวิตไม่รู้จักชีวิตเขก็ดิ้นต่อไปก็ดินด้นไปก็หาทุกก็ทุกไปอยู่ถ้ารู้จักก็อย่างนี้จะเอาไม่เอาก็ต้อเป็นอย่างนี้มีการมีงานทำก็ต้องทำไป ก็เด่นอย่าไเบื่ออย่าไปท้อแท้เบื่อนานถึงจะทาทุกวันทุกวันยังไงมันจะเบื่อไม่ได้อ้าจะเบื่อทาไมอ่ะเบื่อก็ต้องทาไม่เบื่อก็ต้องทาแล้วเรื่องอะไรไปเบื่อให้งงอ่ะใช่ไหมเงือให้มันทุกข์อ่ะใช่ไมก็ต้องยอมรับความจริงเนี่ยอย่างนี้เห็นสัจธรรมหรือเห็นความจริงทุกเรื่องมันรู้จักหน้าที่หน้าที่ก็ต้องทำเนี่ยอยู่วัดกันอ้า ตอนนี้ผ่านเล็วน่บายโม่บ่ายโม่โมกวาดก็โลกวแล้วอ่าจะอยากกวาดไม่อยากายากวาดก็ต้องกวาดถ้าไม่อยากกวาก็เป็นทุกข์และนะเออก็แม่มีให้รู้หน้าทีถึงเวลาไปวาดให้มันสนุกกวาดให้มันสบายแล้วกันนั่นเนกายสบายใจสบายนะมือแขนอ่ขาแขนสบายนั่นก็เป็นความสุขอีกแล้ว ไม่มีอะไรหรือจะทำทางทำหน้าแล้วอย่างอื่นไนะยืนเดินนั่งเนาะแม่ทำเหมือนมะึงนั่งง่ายถึงจะสบายทีจะแปลงแข้งแปงค้าให้ไก็ให้มันเป็นไปเพื่อมนสบายเนี่ยมันหนึ่งวัยรู้จักดูตัวเองเห็นตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองไม่มีอะไรอแตบบ่มีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> น่ดูนะเออ ถ้าไปมุ่งยขาจเอาอะไรอแล้วมันก็เลยเถิดไปกันเลยเลยไม่ได้อยู่ที่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ครับอยู่ปัจจุบนันก็รู้ปัจจุบันนั่นเองจบแล้วเนี่ยจบเนีย่ยพูดไหลจบแล้วนะนะ <c oughs> <c oughs> พูดอย่างนี้ต้องจับจุดได้นะได้นะอ่านี่ก็ให้เห็นและเห็นเราไมีแค่นี้เราต้องเห็นกว้างกว่านี้ใช่ไหม เราก็จะเข้าใ จ, ม, จมันจะมันจะมีความรู้มันจะเปิดเผยเน่ยหาถึงเปรียบมันของควาแล้วของไงแล้วไปเห็นหมดเลยนะมันของที่มันความเลยเราก็ไม่เห็นพอเปิดก็งมองเห็นหมดเปิดเผยหมดสงสยัยแต่ก็ใช้เวลาหน่อยไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะบางทีเดี๋ยวนี้ถ้าหมดสงสัยได้ก็ดีไปแล้วถ้ายังไม่หมดสงสัยก็ดูไปเรื่อยๆจนเข้าใจนะ ไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนดูเดี๋ยวนี้แล้วสบายก็ใช้ได้ลแล้วแล้วดูไปเรื่อยๆมันก็เข้าใจมันก็กว้างไปกว้างไปเรื่อยๆให้เข้าใจอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรารู้ได้แค่ไหนก็ เ, เอาอแค่นี้ไป่มันจะรู้ไปเองอ่ะนั้นมันจะมองเห็นเองแต่แล้วมันจะไม่ลืมกายลืมใจขมันไม่ลืมปัจจุบันตรงนี้เนีย่ยหมายถึงว่าเรื่องเห็นอะดีเห็นอนาคตคิดถึงอนาคต ก็อย่ารู้ว่าอวางแบบแผนเรื่องอนาคตเราจะท้อำเนินชีวิตยังไงต้องทำอะไรยังไงนะเราเตรียม น, นะพอถึงเวลาปุ๊บมันจะไม่งงก็ต้องทำไหนก่อนันไหนหลังนมันจะไ ม, ม, ะไม่มันจะไม่นั่งไม่สับสนการงานไม่สับสนแต่มันก็ไม่ใช่ไปย้าคิดย้งรู้นะ พอรนี่เดียวมันรู้ละอ้อเาอะมันถึงเวลาก็อืมมันก็เป็นไปเลยเนี่ยลั้วอนาคตต้องทําอะไรแต่แม่ไม่ไปติดมันก็ไม่ไปติดไม่ไปยึกไม่ไปหมกมุ่นไม่ไปเกาะเยี่ยวถึงอดีตที่ผ่านมามืนก็เหมือนกันที่ผ่านมาเออดีไม่ดีอันนี้อ่ะเราก็จะเริ่มที่จะผ่านออกไปข้างหน้าก้าวต่อไปนี่ก็ต้องดูแล้วอดีตผ่านยังไงะ มันถูกมันผิดเออมันถูกเราก็อย่าลืมต้องพยายามทําให้มันถูกอะถ้ามันผิดเราก็ต้องแก้ไขเนี่ยปีใหม่ปีเก่าอย่างเนี้ยเนี่ยอย่างเนี้ยมันต้องคิดละมันก็เหมือนกันนะแต่ปีใหม่ปีเก่าทุกวันไม่ใช่สามร้อยหกสามรอยหกสิบกว่าวันก็มาคิดเทีอย่างนี้ไม่ไหวหรอกนะสามรอยวันก็มาลบทวนทีนี่แย่เลยละต้องทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวนียนี่อ๋อนี่ผ่านไปไงผิดถูกอื ต้องระวังแล้เนี่ยผู้ถือมณีความระลึกได้เนี่ยรู้สึกตั ว, วนี่สมัยก่อนนี่ออกเบญทบานแล้วก็มีบางที่เนี่ยมันก็มีตอไม้มันอยู่เดินไม่ทุรไล่เตะมันทุก <c oughs> เออมันจะได้จังหวะไปเตะทูกไปตอไม้นะ่ะทุกทีแล้วโหยแล้วเราไม่ใส่รองเท้าอ่ะบินบำบัดไม่มีใส่รองเท้านึางก็เตะก็โดน จ, áng, จ áng, ังๆนั่แหละนะ อวันนี้มาปวดเลยอยู่ตรงนี้นะจําไว้นะพรุ่งนี้มาอีกเตะอีลิฟอี ก, อกนะเอาอีกวันก็ไปอีกนะเดอ๋ยวมเที่ยวตอนนี้แข็ดแนละ้วโอ้พอจะถึงไอ้ตรงนั้นโอ้ห น, นีมาวานันเราเตะนี่เลยเตะมาหลายเที่ยวแล้วนะออนะวันนี้ต้องระวังตอนนี้ไม่ตเตนะละเนี่ยเอามาดูดูดีป่ะนี่เคยมั้งหมดนะนะปิดประตอง g ปิดประต o n ที่เปิดแล้วเราลืม แต่ไม่ได้ดูว่าเนี่ยปิดใจใจมันรู้ไปอยู่ที่ไหนนี่ปิดประตูใส่กุญแจสเสร็จกอไปได้พักเออประตูปิดหรือเปล่าวะใส่กุญแจหรือเปล่าเดินกลับมาดูอีกแะเจ็บปวดเนี่ยทีโดนเขาหลายหลายครั้งเขาบางทีก็ต้องแ้ทีนี้ไม่เป็นแล้วผมก็ไม่เป็นแล้วนะรู้สึกอะต้องเห็นภาพรู้สึกว่าเราทําอะไรเห็นภาพรู้สึก ถ้าเรารู้สึกมันลืมได้นะ อ, อบางครั้งต่อดเคยเปแล้วเอ๊ะเรารู้สึกว่าเรใส่เดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็หายไปจําไม่ได้แต่เห็นความรู้สึกก็หนูจำได้ไหมอเออเดี๋ยนี้เราทํำนี้นะนี่เราทําเสร็จแล้วอย่างนี้นะนเห็นความรู้สึกของเรามันจะไม่ลืมน ะ, ะถ้าเป็นเรารู้สึกมันยังลืมเคยนักเขย่าเย่ า, า, ยานะเอ๊ะนี่ยใส่เสร็จแล้วนะอย่างนี้นะพอเดินไปพักนานๆมันยังลืมเลยเอ๊ะ อ, อะไรวะ นะเนี่ยพอมาจับอยู่่นได้พอเห็นความรู้สึกตอนนี้ไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยถึงว่าต่างกันไปสังเกตเองกันแล้วไงจริงไม่จริงไปดูที่ตัวเองกนแล้วไนะเพราะมันไม่รู้อ่ะเพราะเรามีเห็นความรู้สึกแล้วมันมันต้องให้ต่อเนื่องพอเห็นแล้วมันต้องต่อเนื่องแต่พอเรารู้สึกนี่มันไม่ได้ต่อเนื่องนะพอรู้สึกนี่แป๊บเดียวพอรู้แล้ว แป๊บเดียวไปรู้อย่างอื่น่ะลืมละนี่จําไม่ได้แล้วนะแต่นี้พอราให้เรารู้สึกอยู่เห็นความรู้สึกว่าทาอย่างนี้ถึงเลยอ่ะผ่าออกจากตรงนั้นเราก็ยังเห็นความรู้สึกอันนั้นว่าเราทําอะไรไว้เราวางของไว้ตรงไหนหรือเราเคยลืมก็ลองราลึกอย่างนี้ไว้โอนี่ระวังนี้พอเดินออกจากที่แล้วก็อ๋อนี่ระวางของไว้ตรงนั้นตรงนั้นนะเราทําอะไรไว้ตรงนั้นนะเดี๋ยวมาดีจะได้ เราเคยลืมอย่างนี้อไม่ลืมนนบางคนจะหลงหลงลืมลืมอย่างนี้พ่อไม่เป็นหรอกถึงมีบ้างกันน้อยอะน้อยบางอย่างทาทีสําคัญสําคัญนี่ลืมไม่ได้ทุกเรื่องไปทุกอริยพุททุกขณะนั่นถึงว่าดูความเคลื่อนไหวทุกขณะมันต้องเคลื่อนไหวอยู่นล้ จะลุกจะนัง่งจะยืนจะนอนเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายและขวาก้มเนย น, นี่เรเห็นความรู้สึกของเราดูความรู้สึกอเนี่ยบางคนที่เดินจงกรมว่าเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินแต่ถ้าไม่เห็นความรู้สึกมันไม่ได้เลย <c ười> นะ มันต้องเห็นความรู้สึกจะเดินหน้าถอยหล ắng, ังก็ต้องให้เห็นความรู้สึกด้วยความรู้สึกมันเป็นอย่างไรรู้หรือไม่รู้นะหรือมีเจตานาอย่างไรมีอารมณ์อย่างไรมามีความคิดนึกอย่างไรบางทีความรู้สึกมันขี้เกียจขี้ค้างความรู้สึกมันเบร์เบรความรู้สึกมันเฉยชา คือนดยื่อญาทอแท้อย่างนี้ต้องรู้จักที่ะสลัดมันออกไปพอเรารู้ตัวตอพอรู้นั่นแ้ะนจะเราจะขจัดมันได้นี่อย่างนี้เรียกว่ายางอสวกะายาติาติไปสิ้นไปซึ่งอสวะอสวะหมายถึงอทอแท้เบื่อหน่ายเบ้เอเบ้อซมซอย่างนี้ง่วงเหงาเหงานอนซึ่เพพอเรามารู้ตัวเห็น เอื่อื่นเข้ามาสละไปแล้วพอตื่นนะหลุดกันไปแล้แต่ต้องให้รู้นะต้องให้หลุดนะไม่ใช่ไปยังไปจมอยู่มันต้องเห็นนะต้องเห็นด้วยว่าเอออันนี้มันเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นคว า, ามดีหรือคว า, ามค า, ามชั่วแล้วเรื่องอะไรจะไปอยู่กับคว า, ามชั่ว ไม่ดีก็ต้องสลัดมัน อ, ออกไปนี่คำว่าอย่าให้มีออปะปุฎออปัทวะทั้งหลายงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยเนี่ยนั่นโอปัตวะหมายถึงความชั่วร้ายสิ่งที่ทำให้ไม่ชีวิตจิต ใ, ใจไม่มีคุณภาพนั่นเป็นความชั่วร้ายทั้งนั้น เป็นความเสื่อมไม่จะเป็นความเจริญมันไม่ก้าวหนะ้ามันไม่สร้างสรรค์มีแต่ล้าหลังถอยหลังหรือแม้ไปยั่งเท้าอยู่กับที่ไม่เจริญเนี่ยผู้ไทยฟังนี่รับเป็นการเริยนจิตสกิจใจแล้วก็พยายามที่จะดูงเราต้องการตื่นโต้ไปว้า ว, า ว, า ว, า ว, าวาต้องตื่นโตวจะกสิ่งเหล่านี้นะ อ้าวโลมีอะไรเกิดขึ้นก็จะตื่นตัวตัวนั้นยานเติรนเข้าถึงความรู้ความเติร์นควาเบิกบานนะพุทธภาวะเข้าถึงภาวะเข้าถึงพุทธภาวะหรือเข้าถึงคามรู้เนี่ยพระเจ้ารู้อันนี้เขารู้อย่างนนั้นเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราก็เห็นตัวเราเขาได้ เคยเห็นแต่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นตถาคตกระดับพระเจ้าเขารู้อย่างนี้แล้วก็รู้ไม่อย่างพระเจ้าอ๋อพระเจ้าเขารู้อย่างนี้่เราม า, า, า, า, ามเห็นที่ตัวเราเราอย่าเข้าใจา